บทภาชณีติกาปาจิตตีร้อยสิบหกองทัพเคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสําคัญว่าเคลื่อนขบวนออกรบไปเพื่อจะดูนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอบัติปาจิตตีกองทัพเคลื่อนขบวนออกรบภิกษุไม่แน่ใจไปเพื่อจะดูนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอบัติปาจิตตีกองทัพเคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสําคัญว่ายังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบไปเพื่อจะดูนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอบัติปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุไปเพื่อจะดูกองทัพแต่ละกองต้องอบัติทุกกฎภิกษุยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอบัติทุกกฎภิกษุอยู่พ้นวิสัยที่จะเห็นแต่พยายามดูจนเห็นต้องอบัติทุกกฎกองทัพยังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสําคัญว่าเคลื่อนขบวนออกรบต้องอบัติทุกกฎกองทัพยังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎกองทัพยังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบภิกษุสําคัญว่ายังไม่ได้เคลื่อนขบวนออกรบไม่ต้องอบัติ